คนเรานี่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่เท่าที่สันนิษฐานดูแล้วคนที่ขาดปัญญานั้นมีมากมายคนไม่มีปัญญาน่นหะ่ะมากกว่าคนมีปัญญาในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นมันจึง ไม่สามารถที่จะละบาปอากุศลต่างๆได้เป็นส่วนหลายเลยทีเดียวผู้ที่ตั้งเจตนาละเว้นบาปกรรมได้นี่มีปริมาณน้อยเต็มทีเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> พระพเจ้าจึงได้ชักอดีตนิทานมาเปรียบเทียบให้คนฟังว่าในอดีตกาลนั้น มีหนองน้ำอยู่หนองหนึ่งบรรดาพวกปลาพวกหอยพวกปูพวกเต่าอะไรก็ได้อาศัยอยู่ในน้ำสาะนั้นมานนี่นานไปนานไปฝนแรงน้ำในสาดนันมันก็แห้งลงแห้งลง ในในสานนั้นมีนกกระยางตัวหนึ่งมาเที่ยวหากินปลาอยู่ในนั้นแต่เวลาน้ำมันยังมากอยู่นี่นกกระยางมันก็หากินปลายาก <c oughs> พอน้าหววลงนี่นกรนนนกระยางนกกระยางมันได้อุบายมันก็เลยไปพูดกับปลาเพราะว่า ไอเรานะั่นน่ะเป็นสัตว์ที่มีปีกบินไปได้เราไปเห็นหนองหนึ่งอยู่นูน้นน้ำมากทั้งใสด้วยแล้วอาหารในกระอุดมสมบูรณ์นะอยากไปกันไหมถ้าอยากไปนะั่นเราขานอาสาเราจะรับพาไปทีแรกปลาก็ไม่ค่อยจะเชื่อเลย ไม่เค่อยจะเชื่อแต่นกกระยางเลยมันฉลาดมันก็พูดหวานล้อมอะไรต่ออะไรไปเอาพยายามาปลาก็เชื่อแล้วปลาไม่มีปัญญานี่เชื่อก็ยอมให้นกกระยางมันฆ่าไปที่แรกมันฆ่าไปสองตัวมันฉลาดฆ่าไปแล้ววันนี้ ตัวหนึ่งมันกินฮะตัวหนึ่งมันก็เอาคาบกลับคืนไปหาหมูลูก น, นี่มันมันเอาเอาปลานั่นไปไปกินตัวหนึ่งแล้ววันนี้ตัวหนึ่งมันก็เอาไปให้ลอยน้ําในหนองนั่นแล้ววันนี้ก็มันก็คาบเอากลับคืนไปเพราะว่าปลานั่นมันบอกว่านกยานว่า เราจะต้องเอาท่านกลับคืนไปก่อนไม่งนั้นพรกพวกของของท่านก็จะไม่เชื่อเราดังนั้นเมื่อเราขับท่านไปและหาพรกพวกแล้วท่านจงบอกว่านั่นแหละหนองนั้นมีจริงน้ำใสน้ำลึกแลก็ยังแล้๋วเราขับปลาตัวนั้นกลับคืนไปสู่หนองเดิมปลาตัวนั้นมันก็เป็นเล่าให้เพื่อนฟังแม้น้าใสจริงลึก เย็นสบายเลยไปเถิดเพื่อนกว่า น, นี้นกกระยางตัวนั้นก็คาบปลานั่นไปทีละตัวสองตัวมันไม่เอาไปลงหนองน้ํำซะแล้วกว่า น, นี้มันก็ไปไปจับอยู่ต้นไม้ไต้นใดตัวหนึ่งก็กินปลานั่นเออกินปลาท่านหมดแล้วเวลามันหิวมามันก็ไปหาหนองน้ําหนองนั้นอีกอ <c oughs> แล้วก็จับเอาปลาไปกินปลาก็ยังเชื่อว่าพักพวกของตนนั่นไปสู่น้ำนั่นหนองนั่นจริงเลยนะี่ก็จึงยอมให้นกกระยา ม, มันจับเอาไปกินอยู่อย่างนั้นจนว่าปลาหนองนั่นหมดอมันนี้ก็ยังเหลือปูตัวหนึ่งวันนี้นกกระยำก็ไปหลอกล่อปูวันนี้นะ พัฉลาดกวัวปลา่นนีเออ้เพื่อนอเรานี่มันน้ำหนักมากนะไม่เหมือนปลานะานนดังนั้นถ้าจะเอาเราไปนี่เราขอเอาง่ามของเรานี่ยคาบคอของของเพื่อนไว้ก่อนอไม่ใช่แน่เลยเดี๋ยวก็จะหลุดจากเท้าของเพื่อนตกลงสู่เราตายเ่รตกลงสู่เพื่อนดินอะ เอานกขยางก็ยอมยอมให้ปูนั่นเอาปากเอาง้ามเขามาคาบคอไว้นกขยางก็พาปูนั้นบินไปเขาบินไปไปลงจับต้นไม้ที่มันเคยเอาปลาไปกินนั่นปูก็ท่วงวันนี้อา้าวทำไมแล้วถึงมาเอาเรามาลงสู่ต้นไม้นี่ไม่ไปหาหนองอะ่ะหืไอ้งโง่ แกไม่รู้นะว่าเราจะเอาเธอมากินต่างห่ากจะเอาไปหนองน้ําที่ไหนอยู่นั้นว่างั้นเท้า น, นี่ปูมั น, นกันหนีบคอนกกขยังแน่นเข้าซี่วะเ น, นี้่อนกกขยังใจจะา่าก็เออเราจะพาไปอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะพาไปเลยว่างั้นปูก็าขายกล้ามออกหน่อยหนึ่งจําใจก็ต้องพาปูบินไปหาหนองน้ํา พอลงสู่หนองน้ําแล้ววะนี่ปูมันก็หนีคอนกขยางอันอย่างแรงที่สุดเลยทีเดียวในที่สุดนกขยางก็เลยตายตายแล้วปูก็กินนกขยางเป็นอาหารแลยวันนี้นะ <c oughs> นี่แหละนิทานเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าในโลกอันนี้นะคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดอืม วันนี้พวกเราได้ฟังนิทานที่พระเจ้านำมาแสดงว่าอย่างนี้แล้วนะก็ควรพิจารณาตัวของเราเองว่าเราจะเป็นเราจะเป็นปลาหรือจะเป็นปูวะนี่นะัน <c> น <oughs> นกขยางนั้นเปรียบเหมือนกันกันกบกิเลสตัณหามันมีมายา ม, มากกิเลสตัณหานะ่ถ้าพูดเป็นปุคราที่ฐานก็เปรียบได้กับคนพาน คนฉลาดแกมโกงนั่นแหละไปเที่ยวหลอกคนโง่เอาเอาทรัพย์สินเงินทองของคนโง่ไปใช้อยู่นั้นคนฉลาดแกมโกง <c oughs> ก็เทียบได้กับนกกระยางนั่นเองแหละแต่พอไปเจอคนมีปัญญาเข้ากันนี่เขาก็เล่นงานเอาย่าแย่ไปเลยถึงนั่นแหละถ้ามเมื่อยังไม่เจอคนมีปัญญา ก็ต้มคนไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะการฝึกผนอบรมจิตใจให้เกิดสติปัญญาเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่ากิเลสภายในหัวใจของคนเรานี่มันก็มีมายาสาไถามีเล่เหลี่ยมมากมาย ถ้าจิตนี่ไม่ฉลาดแล้วก็เลยหลงกลของมันจริงๆเนี่ยคนส่วนหลายเนี่ยหลงกลของกิเลสตัณหาเนี่ยมันถึงได้ตกเป็นทาสของมันมันบังคับให้ไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกรรมกล่าวมุสาวาตดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรก็ไปตามมันเลยเพราะว่า มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันแล้วนี่สู้มันไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้อันแค่เป็นงาง น, นั้นนี่บัดนี้นะเราจะเป็นปูหรือจะเป็นปลานี่ถามตัวเองดูนั่นนี่แต่แน่นอนแหละทุกคนก็คงจะต้องเป็นปูนั่นแหละเปรียบเทียบว่าเพราะว่าปูมันมีปัญญามันฉลาดรู้จักหลอกล้อเอานกกยางไปฆ่า ให้ตายได้เลยอันนี้คนมีปัญญานี่ก็สามารถหาอุบายขจัดกิเลสฆ่ากิเลสตายขายกิเลสทิ้งเห็นของจริงคืออริยสัจสีส่นกล่าวไว้คนมีปัญญาเนี่ยก็สามารถที่จะทำตนให้เป็นอิสระเสรีจากอำนาจของกิเลสตัณหา แต่ว่าถึงจะมีปัญญาอย่างไรอ่ะถ้าหาว่าขาดความเพียรความอดทนขาดความสำรวมระวังตนแล้วอย่างนี้มันก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันเละเพราะปัญญานี่ถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญาก็เลื่อนลอยไปไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริง ของเรื่องราวของชีวิตนี่ตามเป็นจริงได้ด <c oughs> ังนั้นแหละพระบรมศาสดาก็จึงได้ทรงสั่งสอนอุบายวิธีที่จะให้เรามีสติมีปัญญาก็ <c oughs> อุบายวิธีก็อย่างว่านั่นแหละในเบื้องต้นนี่ก็สำรวมในศีลเนี่ย <c oughs> ถ้าใครไม่สำรวมในศีลเนี่ย มันก็ไปทำบาปคนทำบาปแล้วย่อมมีใจมืดมนนะเมื่อใจมืดมนแล้วเรื่องอะไรเนะี่ยมันจะมานั่งไหวพระภาวนาสมาธิทำใจให้สงบระงับลงไปได้ไม่มีทางนะถ้ามีบาปข้อบงมจิตใจแล้วก็ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่งั้นเกิดกลายเป็นคนโมโหโธโสมาหน้าทิฏฐิแข็งกระด้างกระเดือง ออื <c oughs> ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่ควรอ่อนคนน้อมเนี่ยนันลักษณะของกิเลสตัณหามานะ tithi มันเป็นอย่างนั้นนะเนื้อที่ไหนเน่ะมันจะไปภาวนาลงได้คนเต็มไปด้วยทิฐิ m a n ะอยู่แบบนั้นนะทําไปไม่ได้เลยนั่นแหละท่านผู้ที่ภาวนาเป็นไปได้นั่นนะ ก็เพราะว่ามันเรื่อนเริ่มต้นแต่สำรวมในสินให้บริสุทธิ์มาไม่ชอบไม่ชอบทะเลวิวาิกับใครไม่ชอบเอาเรื่องเอาราวยุ่งเหยิงไม่ลไม่ชอบก่อเรื่องวุ่นวายต่างๆให้เกิดขึ้นในสังคมนี่คำว่าเป็นผู้สำรวมในสินด้วยดีนะก็ต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าใครไปคิดก่อเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นในหมู่ในคณะอยู่บวอๆนั่นแสดงว่าคนนั้นไม่ได้สำรวมในสินให้บริสุทธิ์ใจร้อนอยู่ด้วยบาปอากุศลต่างๆน่นะมันเมื่อใจอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมันก็แสดงออกทางกายทางวาจาในทางที่ไม่ดีก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้นให้พากันสำรวจตรวจการดูอาการกายอาการวาจาของตนแต่ละวันแต่ละคืนนะตนสํารวมแล้วด้วยดีหรือยังอันนี้ก็นาว่าสําคัญอยู่บางคนมันเผลอสติมากาเมื่อเผลอสติมากมันก็ร่วงได้มันก็ร่วงสิกขาบทที่สมทานมานั้น ไปได้เลยโดยไม่รู้ตัวก็มีแต่บางคนร่วงทั้งที่รู้รู้ตัวอยู่ก็มีเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นการรักษาศีลก็คือการอบรมสติให้เข้มแข็งนั่นเองพระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าต้องต้องเป็นผู้มีสติเป็นวินัยนบธรรมดาวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้น ถ้ามีสติอยู่สักอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ได้ล่วงนะไม่ได้ล่วงเป็นงั้นเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําต้องฝ่าถนาทุกครั้งทุกเวลาซึ่งไม่เหมือนอย่างทำข้ออื่นๆทำข้ออื่นนั้นเราต้องเอามาใช้เป็นบางครั้งบางคราวยกตัวอย่างให้ฟัง <c oughs> เช่นอย่างเมตตาอย่างนี้นะ อ, อ้าพอความโกรธมันทําท่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้แต่เมืนอก็นึกถึงเมตตาขึ้นมาพอเมตตาทำบังเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันก็ถอยไปอืมเมื่อความโกรธระงับไปแล้วอย่างนี้เมตตาก็ระงับไปตามกันจิตใจก็เป็นหนึ่งเป็นปกติอยู่อืมเปอย่างนั้นเสรนี้ไปๆถ้าเผลอๆตัวแล้ว รู้สึกว่าใจมันจะงุดงงิดขึ้นมากับบุคคลใดคนหนึ่งขึ้นมาเอาพอนึกถึงเมตตาธรรมขึ้นมาไอความงุดงงิดนล่วมันก็หายไปเนี่ยคุณธรรมนอกนั้นน่ะเอามาใช้ระ ง, งับกิเลสเป็นบางครั้งบางคราวแต่ส่วนสตินี่ต้องมีอยู่ทุกเมื่อให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นใน อ, อธิกรณะสมถนะเจตนาจนจังว่ า, าสงนั่นน่ะสวดประกาศให้สมมุติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อไม่ให้ใครโจท์ท่านด้วยอาบัติพระอรหันต์นั้นท่านมีสติเต็มที่เลย มีสติอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลงท่านไม่มีความไม่หลงเป็นธรรมดานี่เพราะฉะนั้นจึงว่าสตินี่มันสำคัญขนาดไหนให้ากานฟังแล้วพิจารณาดู <c oughs> แสดงว่าท่านพุระอาสวะคีเรศขาดจากสันดานแล้วนะท่านมีจิตเตีวแน่อยู่ตลอดไป เมื่อมีจิตเดี่ยวแนอยู่นั้นก็มีสติประจําตัวอยู่ตลอดไปเพราะมันไม่มีกิเลสมารบ ก, กวนที่จะให้จิตนี่ละลึกไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรต่ออะไรหมดนั้นะมั น, นะ ม, นมันไม่มีอะกิเลสเหล่านั้นท่านละหมดแล้วเหตุนั้นจิตของท่านถึงเป็นปกติรู้ปกติเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างไป เห็นก็สักว่าแต่เห็นได้ยินก็สักว่าแตได้ยินไปเท่านั้นเองเนะี่ยภายในจิตใจนั้นไม่ได้วิตกวิจารณ์ไม่ได้วันไวไปด้วยความยินดียินร้ายอะไรเลยนี่เป็นคุณธรรมของพระอระหันต์ทั้งหลายเรียก ว, ว่าท่านมีชัลังคุปเปกขาเป็นเครื่องอยู่เนะี่ย ว, ว่ามีจิตวางเฉยต่อ อายตนะภายในภายนอกต่อวิญญาณความรู้สึกต่อสัมผัสต่างๆมูนี่ท่านไม่ได้วันไวเลยไม่ได้หลงอารมณ์เหล่านี้เลยอะไรจะกระทบมาเมื่ อ, อไหร่เวลาไหนขณะไหนท่านก็รู้เท่าอยู่อย่างนั้นไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอะไรเลย นี่แหละคุณธรรมของพระอระหันต์ไอพวกเราชื่อว่ายังไม่ได้เป็นพระอระหรนันต์นี่เราก็จะพยายามบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วไม่ไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งก็ต้องได้เป็นพระอระหันต์ให้ได้เดินตามรอยของพระอระหรันต์ หมายเวาว่าอย่างนั้นบางคนก็เอา้าเราเป็นผู้ท่วชนนะจะไปเดินเดินตามรอยของท่านได้อย่างไรส่วนมา ก, กมากกักจะเป็นอย่างว่านี่แหละอยากออกความเห็นมาอย่างว่านี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าเหมือนอย่างว่ามีบคุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนะ เขาทําทางให้เตียนโล่งไปก่อนแล้วอย่างเงี้แล้วเขาก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในทางนั้นเอาใครอยากเดินก็เดินได้อย่างนี้ใครแล้วจะไปบุก ป, ป่าเข้าไปนู่นน่ะมันก็ต้องเดินไปตามทางที่โล่งเตียนนั้นเองเอ อ, อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละทำของพระอระหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์เลยใคร ย, ยินดีปฏิบัติตามท่านก็นับว่า พ อ, อใจแล้วท่านไม่ได้ห่วงความมุ่งหมายของท่านยังต้องการยังให้โลกทั้งโลกนี่ปฏิบัติตามรอยของพระอระหรันต์ทั้งหมดตุ้งเพราะฉะนั้นเราจะไปย่อท้ออย่างไรแล้วเราจะไปนึ ก, กว่าไอเรานี่เนะี่ยมันจะก้าวไปตามท่านไม่ไหวแล้วอมไม่ควรที่จะไปคิดอย่างนั้น ก็ธรรมดานะการเดินทางนะเมื่อต่างคนต่างมีกําลังอยู่เนี่สมสมุติสมมุติว่าพระเจ้าอยู่หัวนี้นะเออก็เมื่อพระองค์ทรงพระดําเนินไปก่อนแล้วอย่างนี้เอาประชาลัตธรก็เดินตามหลังอย่างนี้แหละเอะไม่ใช่ว่าจะไปทรงพระดําเนินไปได้แต่พระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นลัตธรก็เดินตามได้เออไปอย่างนั้น เพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นปุถุชนคนยังเป็นผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสตันหยอยู่ก็ตามเราก็พยายามเดินตามรอยของพระอระหันต์นั่นเลยเป็นอย่งังไงเคอฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าขึ้นในกายในวาจาในใจนี่ ให้แก่กล้าขึ้นรู้ทั่วถึงทั้งตาหูจมูกลิน้นกายใจรู้ทั่วถึงในรูปเสียงกลินล่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาประจำวันประจำเวลาอยู่นี่นะเนี่ยเราทำความรู้เท่าอยู่เสมอแล้วควบคุมจิตไม่ให้มันวันไหวไปตามอย่างนี้สิเรียกว่าดำเนินตำรอยของพระอระหรนะันต์น่ะ ถึงแม้เรายังจะไม่เป็นบรรลุถึงพระนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ตามมันก็เป็นธรรมดาแต่เมื่อเราเรายังเดินทางไปไม่ถึงจุดนั้นนมันจะได้บรรลุยังไงล่ะนั่นเองแต่ที่นี้ถ้าเราไม่พยายามเดินเฉลยมันก็ยิ่งไม่ได้บรรลุยิ่งห่างไกลพระนิพพา น, าน อ, อไม่ทราบว่าจะท่องเที่ยวเกิดตายอยู่กี่ชาติกี่ภพจึงจะได้ บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานถ้าไม่ทำความเพียรไม่มีทางเลยจะจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่กี่ล้านกี่โกดชาติก็ไม่ละไม่ใกล้ต่อพระนิพพานเลยก็จะต้องเด้มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้ชาติแล้วชาติเล่าอยู่งั้น <c oughs> แต่คนเรามันไม่เข็ดไม่ลาเพราะอะไรเล่าเพราะว่ามันนึกถึงชาติหุนหลังก็ไม่ได้เลย แล้วเกิดมาในชาตินี้เมื่อมันลึกถึงชาติหนนหลังไม่ได้มันก็คล้ายๆกับว่าเราแต่หนนหลังนั่นเราไม่ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรเพราะกิเลสตัณหานี้เลยเนื่องจากว่ามันลึกไม่ได้นี้แหละคนเราเหตุที่มันจะเ อ, อไม่ค่อยเบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้นะ <c oughs> แต่สําหรับผู้ที่ แม้ว่าจะระลึกชาติหนหลังไม่ได้ก็ตามหากว่าได้ถือเอาพระพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องคิดเป็นเครื่องพิจารณาแล้วมันก็ย่อมเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในสงสารนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงระลึกชาติหนหลังของพระองค์ได้ขนาด น, นับไม่ท้วนเลยอทุกขาชาติปุณณปูนัง การเกิดมาบ่อยๆนี่ย่อมเป็นทุกข์องค์่ได้เปล่งอุทานนันนี่ออกมาจะพราะว่า อ, องค์สลึกไปในชาติหนหลังไปน้นุนพบตั้งแต่เรื่องยุ่งยากเรื่องวุ่นวายเรื่องขัดข้องอะไรต่ออะไรแห่งชีวิตที่เป็นมาในสงสารน่นนะโดยเฉพาะพระเทวทัตได้ผูกอาฆาตกับพระพุทธองค์ตั้งแต่คาวเป็นพ่อข้ามากักลูกปัดด้วยกันนุ่น มาตั้งแต่นั้นมาแล้วพระองค์เทียวเกิดเทียวตามมาเฉยเลพระเทวทัตก็เกิดมาเจอกันเข้าก่เมื่อได้ช่องทางก็ทําร้ายพระองค์ไปอย่างนี้เมื่อไม่ได้ช่องโอกาสก็ทําไม่ลงทําไม่ได้อพระองค์ก็ได้ประสบความหุ่นวายเดือดร้อนกับเรื่องพระเทวทัตผูกอาคาตจองเวรมา ในสงสารนับชาตไม่ทวนนอกจากวพระเทวทัตแล้วก็คงจะมีคนอื่นอยู่บ้างนะเป็นอย่างน้เพราะฉะนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสรุปลงว่าทุกขาชาติปุณปุนังการเกิดมาบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์หลายเราควรเชื่อพระปัญญาตรดสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละ เมื่อเราเชื่ออย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้เราไม่ได้นิ่งนอนใจจะต้องพิจารณาดูตัวของตัวเองว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำจิตใจเป็นทุกข์เกิดร้อนวุ่นวายอยู่นี่คนเราในเมื่อทบทวนดูรู้กันทั้งนั้นแหละรู้เรื่องตัวเองนะแต่มัน เมื่อมันไม่คิดไม่ทบทวนดูแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าคิดทบทวนดูเออเมื่อวันวา น, นนี้เราได้ไปโกรธให้คนนั้นนะเราผูกใจเจ็บอยู่กับคนนั้นมาก็เพราะเหตุนะั้นจิตของเราจึงร้อนจึงงวนวายอยู่นี่นี่ยกตัวอย่างว่ามันมันต้องมันยอมนึกได้เราไปด่าเขาคนนั้นคนนี้ให้เจ็บ อ, อกเจ็บใจมาก ออืมากรรมอันนั้นกำลัง ม, มาทําใจของเราให้วุ่นวายเดือดร้อนนี่เมื่อนึกทบทวนแล้วมันก็มองเห็นได้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันมองเห็นได้อย่างนั้นมันก็เห็นโทษของกิเลสตอนนั้นก็เพี้ยนมิยามละมันไปเอไม่ให้มันครอบงำจิตใจใต่อไปอีกจเจริญเมตตากรุณาให้มากเข้าไปแล้วออื กิเลสตอนนั้นก็ห่างไกลจากดวงขิดนี้ไปเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่เราภาคเพียนพยายามบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆมูนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจก็เพื่อที่จะให้ใจนี่มันสงบนั่นแหละ การบาเพ็ญคุณธรรมต่างๆก็หมายความว่าบาเพ็ญบุญกุศลนั่นเองน ะ, ะเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นในใจใจก็ย่อมมีกาลังเข้มแข็งสามารถเอาชนะกิเลสที่มันจะมาครอบงาจิตนั้นได้แต่ว่าเอาชนะไปได้ชั่วคราวนะมันยังยังชนะชนะเด็ดขาดยังไม่ได้แต่ถ้าเราเอาชนะมันได้ชั่วคราวมัน จิตคีคเลตมันส ง, งบลงบันี้ใจมันก็ส ง, งบลงไปตามกันเลยมันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะเนื่องนั้นนะใจนี้ถ้าไม่มีบุญบุญอันนี้เป็นกำลังแล้วมันย่อมสู้กับคียเลตไม่ได้เลยขอให้พากันเข้าใจมเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันประมาทให้ทำความดีด้วยกายด้วยวาจาตลอดถึงใจไปพร้อมกันไปเลย เ, ออเมื่อบุญกุศลความดีแก่กล้าขึ้นเลยมันจะทำใจให้ส ง, งบให้หนักแน่นไปเมื่อใจส ง, งบตั้งมั่นโดยดีแล้วปัญญามันก็ค่อยเกิดขึ้นไปโดยลำดับนะทีนี้นะคิดอะไรพิจารณาในก็เห็นแจ้งไปในสิ่งนั้นตามเป็นจริงออดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้